การฝึกหัดจิตของเราให้มีความสงบสงัดเป็นสมาธินั้นจะต้องมีวิธีคือมีบทบริกรรมหรือบทท่องไว้ในใจหรือรู้ได้ด้วยใจเช่นกำหนดพุทโธพุทโธ หรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ก็ให้สังเกตดูให้ดีเวลาลมเข้าเรารู้ได้ไหมเวลาลมออกเรารู้ได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้ ให้หายใจลึกลงไปสักสองสามครั้งค่อยผ่อนออกลมกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นเช่นลมกระทบอยู่ที่กลางจมูกก็ให้ตั้งสติไว้ที่กลางจมูกนั่นแหละคอยเห็นลมเข้าคอยเห็นลมออกอยู่ เวลาลมเข้าลมออกเราก็ตั้งสติไว้คอยรู้ว่าลมเข้าคอยรู้ว่าลมออกให้กำหนดรู้อยู่อย่างนี้ใจที่ไม่เป็นสมาธิก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใจไม่สงบ ก็จะมีความสงบเกิดขึ้นพอเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นอย่างอื่นไม่คิดถึงบ้านหรืออะไรต่างๆไม่คิดถึงกำหนดรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นจะ ก, กี่ชั่วโมงก็ตามก็ให้ตั้งสติรู้อยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไป รู้วลมเข้ารู้ลมออกให้คอยรู้อย่างนั้นแหละทุกทุกท่านทุกๆ ก, กคนนั่นแหละให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานสติคำแปลก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นเอง อานาปานสติเป็นภาษาบาลีแปลแล้วเป็นภาษาไทยแล้วก็คือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหอให้รู้อย่างนั้นแหลไว้จุดที่จะรู้ได้มีอยู่สามจุดที่ต้นจมูกจุดหนึ่งที่กลางจมูก แล้วที่ปลายจมูกเราสามารถกำหนดรู้ได้ตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นให้รู้ให้เห็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเจ็ดวันนี้พอเพียงสำหรับทำให้จิตสงบขึ้นมาจิตสบายขึ้นมา กิจเบากิจปอดโปง่งกิตรุ่งเรืองกิตมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในนั่นแหละเราเรียกว่าเราทำเป็นคือทำสมาธิเป็นเราสามารถทำได้ทุกโอกาสไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนเราสามารถกำหนดรู้ ลมหายใจเข้าหายใจออกของเราได้ตลอดเรานอนอยู่เราก็กำหนดรู้ได้เรายือนอยู่เราก็กำหนดรู้ได้เรานั่งอยู่หรือนั่งสมาธิอยู่ก็สามารถรู้ได้อย่างนี้เขาเราียกว่าทำเป็นแต่ถ้าทำไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าลมอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงไหน ความรู้สึกอะไรอยู่ตรงไหนมันจะไม่รู้เมื่อมันไม่รู้ทาไม่ถูกมันก็ไม่สงบจิตมันก็ไม่สงบจิตสงบแล้วผลของความสงบนั้นมีมากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าจิตเราสงบแล้วนะ เป็นไปเพื่อความรู้ดีเป็นไปเพื่อความดับสนิทเป็นความที่ทำใจให้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นให้หัดสมาธิให้มีกำลังก่อนถึงจะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นได้ถ้าใจยังไม่มีสมาธิจะให้ขึ้นไป อย่างละเอียดมันก็ขึ้นไปไปได้ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวเนี่ยคอยรู้อย่างนี้ ลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าเรามีลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมแผ่ไปทั่วทั้งตัวเราก็รู้ว่าลมแผ่ไปทั่วทั้งตัว ลมสงบระงับดับลงเหลือแต่รู้อย่างเดียวใจเป็นหนึ่งอยู่มีอารมณ์เดียวไม่สัดสายไปตามเรื่องต่างๆที่มากระทบไม่วุ่นวี่วุ่นวายใจสบายอยู่ได้เหมือนไม่มีลมหายใจแต่อันที่จริงมันมีอยู่เราให้กำหนดให้มันถูกแล้วเราก็จะเห็นความ รละเอียดอ่อนและความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่จิตของเราสงบเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นให้จำหลักที่อัตมาที่บายมานี้ไว้เป็นข้อปฏิบัติให้ได้ให้ทาตามนี้แล้วจิตจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ให้คอยดู จิตของคนเรานี่ถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันก็ดีขึ้นไม่ได้คือจะให้เป็นสมาธิขึ้นมาเลยมันยากต้องฝึกหัดต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนว่าทำอย่างนี้ผิดทำอย่างนี้ถูกทำอย่างนี้ควร ทำอย่างนี้ไม่ควรก็รู้ได้ทำได้เข้าใจได้ปฏิบัติถูกต้องได้ก็จะประสบความสำเร็จในการที่เราเสียสละเวลามาเป็นเวลาทั้งเจ็ดวันนับรวมวันไปและวันกลับเป็นเก้าวันพอดีเราเสียสละให้แก่เราเองนะ ทำประโยชน์ให้กับเจ้าของเองทำประโยชน์ให้กับตัวเองพูด ง, ง่ายๆว่าเราสร้างความดีให้กับเราเองคนอื่นจะมาทำแทนเราไม่ได้ในเรื่องนี้เป็นสมาธิแทนกันไม่ได้เลยผัวก็ไม่สามารถทำสมาธิแทนเมียได้เมียก็ไม่สามารถทำสมาธิแทนผัวได้ ต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้คือได้ควสงบแหละแต่ละคนเมื่เหมือนขาะใครของมันเราทำไปแบบเดียวกันนี่แหละจิตสงบแล้วก็เป็นเรื่องของใจของจิตของแต่ละบุคคล ม, มันเป็นอย่างนั้นทำแทนกันไม่ได้ให้คอยกาหนดรู้ไปเรื่อย รูวลมเข้าลมออกก่อนแล้วถึงขยายไปถ้ามาใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละมันก็จับต้นชนปลายไม่ถูกก็ให้กำหนดเพราะลมของเรามันมีอยู่แล้วถ้าเรายังไม่ตายลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีอยู่ตลอดเวลา ไม่มีลมเมื่อไรนั่นแหละจึงจะรู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นอะไรเป็นยังไงเราก็จะรู้เลยว่าตายแล้วถ้าไม่มีลมหายใจตายแล้วลมหายใจออกก็ไม่ได้ลมหายใจเข้าก็ไม่ได้เช่นเราไปดับน้าอย่างเงี้ยหายใจเข้าก็ไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้ อันนี้ต้องตายแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราคอยกาหนดรู้ลงไปให้มันละเอียดลงไปพอจิตเราละเอียดสงบหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆที่มากระทบกระเทือนตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกรมกลิ่นลิ้มรสดกายถูกต้องสัมผัส เราจะมีสติอยู่กับลมหายใจตลอดไม่ฟุ้งซ่านไปไหนเลยนิวรณ์ทั้งห้าไม่สามารถที่จะทำใจของเราให้วันไหวได้เลยใจใเราจะสงบมั่นคงแต่เราก็ต้องมีหลักการอย่างที่อธิบายมานี่คื อ, อยังไม่อธิบายทั้งหมดเาเรียกว่าหลักการหลักการปฏิบัติ เราทำเพื่อให้มันเกิดเกิดสมาธินันแหละทำไปทำไปเรื่อยๆยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ถ้ายังนอนไม่หลับก็กำหนดลมหายใจเข้าออกไว้เดี๋ยวเดียวมันก็สงบมันก็หลับง่ายขึ้น แต่ว่าอาณาปานาสตินี้ในพระไตรปิโรกอาณาปานาสติอาณาปานาคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนีมีอยู่ในพระไตรปิโรกเรียกว่าอาณาปานาสติสูตรมีคมยาวพอสมควรแต่เราก็ไม่สามารถต้อง ปฏิบัติด้วยเวลาอันสั้นนี้ให้ได้หมดทุกข้อทุกอย่างเราเอาแค่สี่อย่างดังที่อามารย์ธิบายมาแล้วนี่เราก็เพียงพอที่จะทำใจที่ไม่สงบให้สงบได้แต่ถ้าหากเราสามารถปฏิบัติตามได้หมดทุกข้อทุกเนื้อความทุกขั้นทุกตอนอันนี้เท่ากัเราเข้าถึงความจริงอันประเสริฐ หมดแล้วไม่มีกิเลสแล้วแต่เราไม่ทำป่านนั้นหรอกทำแค่ว่าให้กินเราสงบได้ด้วยวิธีกาหนดรูลมหายใจเข้าออก เ, อเท่านี้แต่วิธีกาหนดลมหายใจเข้าออกนี้มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ พระพุทธเจ้าแต่สรู้ก็ใช้อนาปานสตินี่แหละทำให้จิตของพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อสอนภาษาวกก็เอาอันที่เคยทำนั่นแหละขึ้นมาสอนเราก็ได้ปฏิบัติตามแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามทั้งหมดเราแค่สี่ขั้นสี่หัวข้อ กำหนดลมยาวทั้งเข้าและออกกำหนดลมสั้นทั้งเข้าและออกกำหนดว่าลมทั่วไหลไปทั่วทั้งกายกายของเรานี่อุ้มอยู่ด้วยด้วยลมนี่ก็เป็นขั้นแล้วก็เห็นลมลังับลงจนไม่มีลมเลย แต่อันที่กินมันมีอยู่เราก็ไม่ต้องตกใจให้ยอมสละเลยถ้ากินมันสงบลงแบบนี้แล้วจะเป็นจะตายยังไงเราจะถอยไม่ต้องกลัวจิตจะสงบหนักแน่นมั่นคงมากดีมากใจเราจะสบายขึ้นเป็นสุขขึ้น อาณาปานสติสูตรนี้ให้อาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่ารนัยโสกได้อ่านในเรื่องอาณาปานสติสูตรให้ฟังทั้งหมด ว่ามีอะไรบ้างคอยใส่ใจพิกูุดทั้งหลายอนาบานันสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วยก็มีผลใหญ่มีอันนี้สงหญ่ก็อนาบปณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอันนี้สงหญ่ ก็ตอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเท่านั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาว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 ให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งต่างกายให้ระ ง, งับอยู่หายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออก เตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกเตกย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตคือจิตตสังขาร หายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออก เธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้มเฉพาะซึ่งจิตแห่งใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตแ ห, ห่งจหใจออกเธอย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์อย่างยิ่งแห่งใจเข้า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 ให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หาใจออกเถ้าย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เ e. ป็นประจำหายใจเขา้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยง อยู่เป็นประจำใ ห, ให้ใจออกเถ้ย่อทมทำการศาึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหาใจออเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำ ห, ห้ใจออกเถ่ย่อมทำการศาึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกต่อย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจํา หายใจเข้าวเวลาเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกอาณาปานาสติเมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สงหญ่ <c oughs> ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องของอนาปาณสติสูตรคือกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตเราละเอียดถึงระดับนั้นทั้งหมดสลัดคืนซึ่งอาสวะทั้งปวงมันก็ถึงพระอาหารหนันต์นนท์ถ้าผู้ฝึกหัดปฏิบัติได้ตามนั้นทั้งหมด พระพุทธเจ้าของเราเป็นพ่าอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิปติตามก็เป็นพ่าอรหันต์เหมือนกันถ้าเราทำตามนี้ได้หมดทุกขั้นตอนแต่แล้วไม่เอาป่านนั้นเราพออยู่ได้พอกินได้พออร่อยอร่อยนี่แหละเอาแค่ว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ทุกเวลา ถ้าเราต้องการอันนี้ก็พอใจแล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติจนละเอียดหมดทุกขั้นทุกตอนทุกเรื่องในอนาปานสติสูตรนี้เราจะเห็นความสุขอันวิเศษสูงสุดคือมักผลนิพานถ้าเราสามารถทำได้หมดนี้ เราถึงความเป็นพระอริยบุคคลสูงสุดเลยขอให้ปฏิบัติตามในระยะเวลาเจ็ดวันนี้จิตของเราก็จะดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นให้กำหนดรูก รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใหม่ๆต้องทำอย่างนั้นแหละคอยกำหนดรู้ลมก็ชื่อว่าใช้ได้แล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติได้หมดจะไม่มีใครบอกว่าเราได้บรรลุมรรคผลชานั้นชาต น, นี้ก็ไม่เป็นไร ถ้าเราปฏิบัติตามได้หมดเรารู้ได้ด้วยใจของเราเองเลยว่าเราปฏิบัติถูกต้องมั่นคงแค่ไหนดีแค่ไหนรอเสดแค่ไหนเลิศเลอขนาดไหนความสุขที่เราได้เสวย อ, อยู่ในความเป็นมนุษย์นี่ความสุขเหล่านั้นก็มีทั้งนั้นแหละ ความสุขได้มาได้ลาบได้ยศได้สราเสรือนเยนยอก็เป็นความสุขเหมือนกันแต่เป็นความสุขเล็กน้อยเหมือนหมาแทะกระดูกถ้าเราได้ความสุขละเอียดขึ้นดีขึ้นสูงส่งขึ้นจิตใจเราจะดีมากทีเดียว จะมีสุขมากทีเดียวอันแนสุขอย่างเนื่องด้วยอามิรอยู่ส่วนผู้ที่ทำกิจให้สงบสามารถทํากิจให้สงบเป็นสมาธิได้นี่ไม่ได้อิงอามิรไม่ได้อิงของลอของหลอกมันเป็นความจริง มันรู้ด้วยตัวของเราเองว่าใจเราสงบใจเราสบายเนี่ยให้เราทำอย่างนี้ให้ทำไปเรื่อยๆความสุขอันนี้หามไม่ได้ความสุขจากกรมความสุขจากการสันเสริญเยินยอได้ราบได้ยศ ก็ยังไม่สู้ความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากสมาธิละเอียดคนนั้นอีกดีกว่าความสุขที่เป็นกามหรือเป็นกิเลสอื่นๆอยู่เราได้ลาบได้ยศก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นความสุขเข้าไปในใจ แต่ยังเป็นโล ก, กีสุขคือความสุขยังเป็นโลกโลกอยู่ไม่ใช่ความสุขในธรรมแต่ถ้าผู้ใดทำจิตให้สงบจนเห็นความสุขด้วยใจของเราเองว่าใจสงบนั้นมันสุขขนาดนี้ใจมีมกักมีผลมันสงบขนาดนี้ ใจเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นมันมีความสุขอย่างนี้ใจความใจเราได้เป็นพระรฤยบคุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรานมันมีความสุขอย่างนี้อราหาันนั่นแหละคือความสุขอันสูงสุดเราสามารถทําได้ไหมทําได้ ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามความสวดของคนที่เจ้าเราต้องทำได้แน่นอนไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ตอนแก่ไม่ได้ตอนแก่ก็แก่งอมหรือใกล้จะตายแล้วอะไรทํารองนี้ก็จะได้ขึ้นมาถ้าเราฝึกหัดไม่หยุดทําเรื่อยๆทําทุกโอกาสที่มีทําอยู่ตลอดไป เราจะเห็นความสุขที่เป็นโลกุตลสุขซึ่งเรียกว่าพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขขั้นเลิศเหนือความสุขใดๆทั้งสิ้น แต่ตอนนี้เราทำยังไม่ถึงตรงนั้นเรากำลังฝึกสมาธิอยู่ใจของเรายังไม่แก้งไม่เห็นชัดในความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันยังไม่ชัดเราต้องฝึกไปเรื่อยฝึกไปจนหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งพวงได้นั่นแหละ เรียกว่าเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วให้เราหัดชาตินี้เราโชคดีเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่หลวงของเราที่เรามีโอกาสได้มาฝึกหัดปฏิบัตินี่มันเป็นความเลอเลอิศ เราทำเองมันไม่เป็นหรอกถ้ามีคนสอนนะแต่ถ้ามีคนสอนสอนถูกทางถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไปได้มันก็สูงขึ้นไปได้ทำให้มันละเอียดทำให้มันดีจิตใจเราจะสูงสกด้วยคุณศีลคุณธรรม อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากตากตำขนาดไหนก็ตามก็ให้อดให้ทนเพราะเป็นโชคเป็นลาภของเราแล้วที่เราได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติเป็นโชคลาภของเรา เราจะอ่านทั้งสิบเที่ยวจนเรารู้หมดว่าอสอนอยังไงยังไงแต่เราทำไม่เป็นมันก็เป็นแต่เพียงปริญญาติคือเรียนรู้คำสอนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทำ สมาธิขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามเราสามารถทำสมาธิเป็นเราสามารถทำจิตให้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่หรือมรรคทั้งแปดมีสมาธิที่เป็นต้น ถ้าเราทำได้ตามเป็นเราจะมีความสุขมากสุขยังไงมันบอกกันไม่ได้เลยใครทำเห็นคนนั้นก็รู้เองว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโชคลาภของเราเราต้องตั้งใจทำ เชื่อฟังตั้งอยู่ในคำสอนของครูบาอาจารย์จึงจะสามารถข้ามพ้นจากโอหัสงสารนี้ได้เราจะถึงซึ่งความสุขความเจริญอันยอดยิ่งที่เรียกว่าความสุขสันยอดความสุขอันสูงสุดนอกนั้นไม่เป็นความสุข แต่ถ้าเราได้ธรรมะขึ้นมาถึงระดับสูงสุดคือพะอระอรหันต์เราก็จะเห็นความสุขอันแท้จริงขึ้นมาในใจของเราเราจะไม่ติดอะไรเลยในโลกนี้จะไม่หลงอะไรเลยจะไม่เสียใจจะไม่ดีใจ มันพอแล้วสมบูรณ์แล้วมีแต่อยากจะทำเรื่อยไปนี่มันไม่ถอยเขาเรากวสู้ไม่ถอยหรือว่ากัดไม่ปล่อยสู้เด็ขาดเลย เก็บขาเหรอขานี่เอาไปเผาไฟเวลาตายแล้วทำไมไม่เก็บใครเป็นผู้มาว่าเจ็บข้าพระเจ้าจะหาผู้นั้นกาหนดดูว่ามันเก็บเพราะอะไรให้คอยดู จับตัวนั้นไว้อย่าเพิ่งขยับอะไรมันก็ไม่เที่ยงเราคอยดูมันไม่นานแป๊บเดียวมันก็จะเป็นความสุขความสงบที่ละเอียดอ่อนขึ้นไปที่ปวดก็จะหาให้ไปมด แตใ่ใหม่นี่โอ้ยมันเอาเลอดูดิขอเก้าอี้เป็นแถวเลยซื้อมาตัดขาลงขอนั่งเก้าอี้มันสบายมากเกินไปมันก็ไม่เห็นกิเลสเจ้าของอะไรๆมันก็สะดวกสบายเกินไปคิดดูที่พระครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่มั่นเป็นต้น ต่อสู้อดทนในการปฏิบัตินี่ที่ท่านให้บริกรรมพุทโธพุทโธนี่ท่านต่อสู้ดิ้นรนอยู่บนภูบนเขาเสือก็ไม่อดเสือก็มารบกวนท่าน มีแต่สิ่งที่ลบกวนมีแต่สิ่งที่น่ากลัวกลัวผีกลัวเสือกลัววิญญาณนั่นนี่กลัวไปหมดแต่หลวงปู่มั่นท่านก็เป็นมนุษย์ท่านก็ต้องกลัวเหมือนกันแต่ท่านสู้ไม่ถอยสู้อย่างเด็ดเดี่ยวไม่ถอยหลังเลย ไม่กลัวเป็นกลัวตายผีที่ทำสนะัลิกานลูกคาเทวดานะหัวหน้าผีเนะีออน่ยเขาควนมาตีท่านนะท่านอยู่คนเดียวในป่ามันน่ากลัวน่าสะพึงกลัวท่านก็สู้สู้เด็ดขาดเลย อืชู้เด็ดขาดชู้ไม่ถอยที่ไหนมีอุปสรรคท่านก็ไปอยู่ที่นั่นท่านมีศีลมีวินัยละเอียดอ่อนปฏิบัติถูกต้องมดในสายหลวงปู่มั่นนี่ พ่อปัตติบัตตามคําสอนที่หลวงปู่ ม, มั่นท่านอบรมสั่งสอนก็รับความสบายใจกันมีความสุข ก, กันเสียว่าเป็นลูกเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างพวกเราเป็นหลีนเป็นหลานเป็นหลานเป็นหลีนของท่านเราก็ต้องเอาอย่าง เราไม่สามารถที่จะไปหาป่าหาดงหรือป่าชา้าป่าชัดที่ไหนก็ตามเราไม่สามารถหาได้คือหาป่าเช่นนั้นไม่ได้เราก็ใช้ป่าที่เราพอจะรู้เนี่ยมันกลัวขับมาแล้วมันกลัวบางคนกลัวจนอ น, นอนไม่หลับก็มีนี่ ให้คิดดูลงปุมั่นทัท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันท่านไม่กลัวหรือท่าน ก, ก็กลัวเหมือนกันแต่ท่านไม่ถอยในที่สุดท่านก็เป็นผู้ประเสริฐกระดูกเป็นประธานสอนลูกศิษย์ลูกหาภาวนาปฏิบัติธรรมกันเป็นการใหญ่เลยไปอยู่ภาคเหนือตั้งหลายปี มาอยู่ภาคอีสานกันตังหลายปีจนถึงการมรณะอายุส80ปีก่อนนี้ผ่านทิ้งพวกเราลูกหลานนี่แหละไว้เบื้องหลังให้คอยอบรมสั่งสอนกันตามแนวตามคำสอนที่ท่านสอนไว้จะได้รับความสุขความเจริญ มีสมาธิมีคุณธรรมมักผล น, ผนิพานตามท่านไปท่านไม่ได้ทิ้งพวกเราไม่ได้ทอดทิ้งท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาไว้มากคนปฏิบัติตามคำสอนของท่านที่ท่านสอน ท่านสอนก็ไม่ได้เอาอันอื่นมาสอนเอามารกแปดมาสอนปฏิบัติตามมารกแปดหรืออริยมรรคมีองค์แปดเอามาสอนสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ปฏิบัติตามก็ได้รับความสุขความเจริญกันทุกคน อย่างพวกเราเนี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของท่านเนี่เราปฏิบัติตามตามคำสอนที่ท่านสอนไว้ซึ่งซึ่งก็คือธรรมะในพระไตรปิฎก่นแหละก็สามารถทำให้คำว่ามรรคผลนิพพานหมดสมัย จะไม่มีใครกล้ากล่าวว่าหมดสมัยมันไม่หมดสมัยมันไม่หมดสมัยเราทำลงไปทำถูกแล้วก็ดีให้จับหลักให้มันได้คอยรู้ลมตั้งสติไว ธรรมของพุทธิย่าเป็นอากาลิโกอากาลิโกคือไม่กําหนดการเวลาใครปฏิบัติตามวันไหนเวลาไหนก็ได้วันนั้นเวลานั้นใครไม่ปฏิบัติตามมักมีองค์แปดนี่มันก็ไม่บรรลุถ้าใครปฏิบัติตามมักมีองค์แปด ย่อมประเสริฐย่อมมีมากมีผลแน่นอนครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาหรืออยู่ตามวัดต่างๆในที่ทั่วไปท่านก็ได้ของท่านท่านกระลู้ของท่านอาการิโกไปว่าไม่จำกัดการเวลา ไม่ใช่แต่สมัยพรพุทธเจ้าเท่านั้นที่ที่จะเข้าถึงอาจถึงทำได้หรือทำให้เกิดให้มีซึ่งมากผลนิพพานมันเกิดได้มันเป็นได้ทุกการทำมาพกพระเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาปฏิบัติตอนเช้าว่าได้ดีในตอนเช้า ปฏิบัติในกลางวันก็ได้ดีในเวลากลางวันปฏิบัติในเวลาค่าคืนก็ได้ดีในเวลาปฏิบัติค่าคืนคือเป็นไปได้เรียกว่ามีมรกมีผลเกิดขึ้นได้ท่านสอนเลยว่าตราบใดยังมี อาริยมากมีองแปรอยู่มีอาริยมากมีองแปรอยู่ปฏิบัติตามอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพ่ะอรหันเลยนั่นมันไม่ได้กำหนดว่าเวลานั้นเวลานี้ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้เวลานั้น ไม่ได้กำหนดว่าเออผู้หญิงจึงได้ผู้ชายไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามพระสงฆ์องค์เนินตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนหรือนำธรรมะของพระเจ้าเข้ามาใส่ใจเราแล้วทำตามนั้นเราก็จะมีความสุขขึ้นมาเลย นี่แหละขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจทำให้มันได้ทำให้มันถึงให้มันมีสมาธิขึ้นมาหรือ ย, ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ที่เราควรจะพึงได้พึงถึงใหตง้ตั้งใจปฏิบัติติดต่อกันไปอย่าท้อถอยมักผลยังไม่พ้นสมัยคนทำตามคำสอนของพพุทธเจ้าย่อมได้รับความสุขในทุกการทุกเวลา ทุกโอกาสให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป